บทที16่164ขบวนเดินทางมหาวิบากซึ่งมีเส้นทางอันยาวไกลที่สุดเท่าที่อุตสาหะวิริยะของมนุษย์จะพึงมีได้พร้อมสับอีกครั้งตะวันฉายแสงกล้าขึ้นทุกขณะสามารถมองหินทิวทัศน์กว้างไกลออกไปรอบทิศเหมือนกระจกฟ้าด้วยละอองน้ำซึ่งถูกเช็ดทำความสะอาด ดพินไพรวันสูดลมหายใจอันชื่นชำเข้าปอดเหมือนจะรวบรวมพละงกาลังทั้งหมดแล้วเดินเข้ามาหาชาัยันผู้ขณะนั้นกำลังรัดสายเครื่องหลังให้แกเมียมแหม่มของเขาทั้งสองคุยอะไรกันจุงจิงตามลำพังกันเองตลอดเวลาดูไม่สู้จะห่วงใยอาทรต่อสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นไม่ว่านรกหรือสวรรค์รอคอยอยู่เบื้องหน้าขอเพียงแต่อย่างเดียวให้เขาทั้งคู่ มีโอกาสได้ใกล้ชิดกันอยู่ตลอดการเช่นนี้เท่านั้นเมื่อพรานใหญ่เข้ามาหยุดยืนยิ้มยิ้มอยู่ตรงหน้าอดีตนายทหารปืนใหญ่ก็มีท่ากระดากเล็กน้อยอ้อมแอมว่าเราสองคนโอ้เอกันมาแล้วคุณก็กำลังจะเข้ามาตื่นกะมังอาา่าฮะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวนี้แหละผูกองขอโทษด้วยนะที่ผมต้องดูแลเมย์มากหน่อยเพราะเขากาลังจะเป็นแม่ของลูกผมจอมพรานยิ้มกว้างออกไปอีก สั่นศีรษะน้อยๆเปล่าอครับถึงยังไงผมก็ไม่โหดร้ายเยี่ยมเกรียมถึงเพียงนั้นหรอกผมเพียงแต่จะมากล่าวแสดงความยินดีกับเมยว่าสามีของเธอมีความสามารถมากในด้านการวางเส้นตามเข็มทิศครับชยันงงมาริ่าตื่นรัดหัวเข็มขัดให้แน่นกระชับกับเอวขอดกิวยังไม่มีริ้วรอยของการตั้งครรภใดๆให้ปรากฏชัดออกมา หมายความว่ายังไงไพยวันเมื่อวานนี้ภายหลังจากที่เราตัดสินใจกันแน่นอนแล้วว่าเราจะใช้วิธีตั้งเข็มเลือกเส้นทางเดินในแผนที่ผมได้มอบหน้าที่ทั้งหมดนี้ให้คุณชายยันเป็นผู้วางเข็มและภายหลังจากคุณชายยันได้ขีดเส้นให้เรียบร้อยแล้วผมก็ยึดเส้นทางนั้นมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการข้ามเนินข้ามหุ่ยสักกี่ลูกโดยไม่ต้องไปเสียเวลาคอยสังเกตเขาครุดอยู่อีกอย่างที่ลายแทงบอกไว้ แล้วยังไงอ่ะเจ้าตัวคนขีดเส้นทางเองยังไม่เข้าใจอะไรนะักทำหน้าเหลือหลาถามมานล้วมันก็พิสุดชัดออกมาเดี๋ยวนี้แล้วนะสิครับว่าคุณชายันขีดเส้นได้อย่างถูกต้องตรงผิงเชีขณะนี้อากาศโปร่งใสจนมองเห็นอะไรได้ตลอดแล้วโรดหันกลับไปทางตะวันตกเฉียงใต้ที่เราเดินผ่านกันมาแล้วเมื่อวานสิครับเห็นไรไหมชายันกมารีหันขับไปขมวดคิ้วจ้องโดยเร็วแล้วอุทานออกมาพร้อมกันว่า เขารูปนกอินทรีลูกนั้นครับเขารูปนกอินทรีึกรุรลูกที่เรามองยืนมองกันอยู่เมื่อวานก่อนเริ่มต้นออกเดินทางนั่นแหละครับและมายืน อ, อยู่บนยอดนี้เราก็ยังเห็นมันในรูปกลางปีกพ ง, งาดหันหัวกลับมาไสขนอยู่ตามเดิกเป็นภาพที่ชัดเจนกว่าที่เราเห็นแต่แรกซะอีกมันเป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าเส้นทางที่เดินมาของเราถูกต้อง แม้ว่าระหว่างเดินอยู่เมื่อวานนี้เขาครุดลูกนั้นจมหายไปจากสายตาของเราอย่างสนิทเพราะมียอดเขาอื่นบงังชายันหน้าแดงระเรือ่อด้วยความยินดีเหลือที่จะกล่าวยืนจ้องอยู่อีกเป็นครู่ใหญ่เหมือนจะไม่เชื่อสายตาตัวเองเขาเองก็ประหลาดใจไม่น้อยเช่นกันนึกไม่ถึงว่าเส้นทางที่ขีดไว้ในแผนที่จะช่วยการเดินทางแม่นยำถึงเพียงนี้เมื่อเวลาโผล่เพลงขมุ ข, ขมัว ข, ข, ของเย็นวาน ระพินนำคณะทั้งหมดปีนป่ายเขาสูงชันขึ้นมาพำนักอยู่บนยอดนี้มันมืดค่ำซะจนไม่อาจมองภูมิประเทศเห็นไปได้ไกลครั้นเมื่อรุ่งสว่างของเช้าวันนี้บรรยากาศก็ยังปกคลุมทึบไปด้วยละอองหิมะทำให้ไม่อาจสังเกตเห็นอะไรได้อีกเช่นกันเพิ่งจะมาแจ่มใสเอาเมื่อไม่นานนักนี่เองและฝ่ายพวกเขาผู้เป็นนายจ้างทั้งหมดก็ลืมซะอย่างสนิทไม่มีใครฉเฉลียวคิด หันไปให้ความสนใจค้นหาเป้าหมายเขาครุฑอยู่อีกเพิ่งจะสังเกตเห็นได้ชัดเพราะรพินสกิดบอกเดี๋ยวนี้เองมารยาหันมามองหน้าสามีจำเป็นซึ่งบัดนี้หล่อนเริ่มจะมีความประทับใจกับเขาเพิ่มขึ้นทีละน้อยโดยไม่รู้สึกตัวยิ้มให้แล้วยื่นริมฝีปากมาจุบที่แก้มอันรกครึมไปด้วยคราวบอกว่าถึงจะไม่ค่อยได้ความในเรื่องอื่น คุณก็ไม่เลวเลยนี่ในสิ่งที่ตัวเองถนัดคุณเป็นความภูมิใจชนิดหนึ่งของคณะพวกเราทั้งหมดเหมือนกันนะชัยันขมวดคิ้วทำไมคุณว่าผมไม่ได้ความในเรื่องอะไรแม่สาวยักษ์ไหลก็ปากอยู่ไม่เคยจะสุกชอบชักไบเรือเสียแล้วฝีมือยิงปืนก็ค่อนข้างเลวไงนี่คือความหมายของถ้อยคำมาเรีย ซึ่งถ้าจะแปลออกมาเป็นสำนวนไทยก็ว่าจะชาฝีมือยิงปืนเ ร, ร็วปโทถ้าเร็วแล้วจะท้องได้ยังไงวะอินูเดี๋ยวพัดหึ <c oughs> ่มชายันคำรามของบหนภาษาไทยมาเรียมไม่รู้เรื่องหันมามองหน้าระพินเห็นกัดริมฝีปากกลั้นหัวเราะจนหน้าแดงก็ถามด้วยเร็วว่านในง่างนี่ว่ายังไงฉัน คุณชัยยันบอกว่าคุณน่ะดูถูกฝีมือยิงปืนของเขาอ้าก็แล้วอะไรอีกฉันไม่คิดว่าเขาพูดเพียงแค่นั้นนะแม่มสาวาขาดคันไปฟังตรงตัวเลยผู้กองชัยยันพยักหน้าบอกแต่พรานนำทางไม่ยอมแปาตามคำสั่งนั้นเขาบอกว่าถ้าฝีมือยิงปืนของเขาเลว็วเขาก็คงไม่ช่วยชีวิตพวกเราบางคนไว้ได้ ในบางกรณีที่ผ่านมาแล้วผมเองก็ไม่เห็นนี่ว่าคุณชัยยันจะยิงปืนเลวสักแค่ไหนแม้ว่าอาจไม่เทียบกับคุณก็ตามมาเรียโบกมือทำหน้าย่นครางออกมาเสียงต่ำๆโอ้ oh, no ยิงปืนน่ะมือชั่วจริงๆสายตากับระสริก็ไม่ค่อยจะดีด้วยทำมือก็ดีกว่านี้สักนิดนะฉันก็คงสบายไปแล้วไม่ต้องมาลำบากร่วมกับพวกคุณอย่อยางนี้หรอกทำไมเหะ รพินงงไม่รู้เรื่องแม่สาวหัวร้อมองหน้าชัยันพร้อมกับโครงสีสระแช่มช้าคุณ น, น่ะไม่รู้อะไรใครวันฉันก็ไม่คิดว่าเขาจะเล่าเรื่องนี้ใครฟังหรอกนะสมัยที่ฉันหลงป่าอยู่กับเขาตามลำพังสองคนนะอา้อาวอา้าวอ้าวปากเสียสกะสิเมียกูชยัยยันร้องลั่นขึ้นเกาหัวกรากรกแต่มาเรียนไม่สนใจ เล่าให้ฟังต่อไปว่าอีตอนนั้นนะ่ะมันเป็นระยะที่เรายังทำศึกติดพันอยู่กับเจ้าสมิงพรยเสือโครงดำแห่งนิทรานครตัวนั้นนะ่ะไอเสือผีดิบนะ่ะมาตามสะกดเรามาทุกระยะความที่เป็นห่วงเขาอ่ะฉันถึงได้สั่งให้เขาล่วงหน้าไปหลบซุ่มหาที่มั่นอยู่ก่อนตัวฉันเองนะ่ะคอยดักย้อนรอยมันอยู่เราแยกกันชั่วขณะไอเสือผีตัวนั้นคงจะไหวทันว่าฉันรู้สึกตัวแล้ว แล้วก็คอยดักรับมือมันอยู่มันจึงเลี่ยงไปซะก่อนฉันก็เดินตามหลังเข้าไปชายันน่ะได้ยินเสียงฝีเทา้าไม่อยากจะแยกออกว่าเป็นเสียงของฉันด้วยเสียงของไอเสือตัวนั้นเพราะฉันโผล่ซุ้มไม้เท่านั้นแหละ ก, ก็หันกลับมาซัดตูมด้วยหกร้อยไนโตรที่เขาแบกอยู่ก็อีกระบอกนี้แหละยิ่งโดยไม่ดูให้แน่ซะก่อนเพราะความฝันเสียประสาทไม่ดีลูกปืนของเขานะหนาห่างหัวฉันไปตั้งค์คืบทั้งๆ ท, ที่ระยะห่างกัน แค่ไม่เกินยี่สิบฟุตแล้วคุณหรือใครก็ตามคิดไหมว่าทำมือเขาดีกว่านั้นสักหน่อยเดียวเท่านั้นแหละฉันก็ไม่คงฉันก็คงไม่ต้องทนลำบากอยู่มาจนถึงวันนี้หรอกกรพินลืมตาโพลงหันไปมองชั ย, ยันผู้บัตดนี้วางสีหน้าไม่ถูกจริงหรอครับคุณชั ย, ยันอนดีตนายทหารปืนใหญ่ยิ้มออกมาแห้งๆไม่ตอบคาใด แต่เสีถอดแขนมาโอบเอวมาเรียไว้ยอย่างถนอมขวัญเอาใจเจ้าตัวปัดแขนออกไปโดยแรงกล่าวการะพินต่อไปว่านี่ยังมีเรื่องหน้าขำขึ้นกว่านั้นอีกนะไหนไหนก็เล่ามาแล้วจะเล่าใช่หมดเปลือกเลยทันทีที่นัดแรกของเขาถากหัวฉันไปอะ่ะฉันกลัวว่าเขาจะ พ, พลีผามลั่นนัดที่สองส่งเด็ดซ้ํามาอีกเลยล้มตัวลงนอนซะก่อน เข ค, คงเพิ่งจะมองเห็นชัดว่าอะไรเป็นอะไรตอนที่ฉันลงไปนอนคว่ำหน้าอยู่นะคุณรู้ไหมอีตอนนั้นน่ะเขาทำยังไงเขาทิ้งปืนร้องไห้โฮเขามากอดฉันไว้ขณะนั้นน่ะเขาคงคิดว่าฉันถูกลูกปืนเขาตายไปแล้วเพราะความไม่ดูตมาตาเรือของเขาแต่พอรู้ว่าลูกปืนของเขาผิดและฉันไม่ได้รับอันตรายอะไรเขาก็หัวเราะดีอกดีใจเป็นการใหญ่เหมือนคนบ้า แล้วยังงี้คุณว่าเขามีฝีมือยิงปืนยอดเยี่ยมสักขนาดไหนฮะกระพินไทรวันถอนใจเฮือมาเรียนเล่าให้เขาฟังเป็นเรื่องขบขันแต่มันเป็นสิ่งใจหายใจคว่มสำหรับเขาทีเดียวมองหน้าทั้งคู่แล้วก็ยิม้มก็ต้องนับว่ายอดเยี่ยมที่สุดในข้อที่เมื่อไม่เจตนาก็ยิงไม่ให้ถูกแต่ผมว่าถ้าเจตนาคุณชา ย, ยันก็ยิงไม่พลาดหรอกครับ อย่างเช่นแรดอาซินอยตัวนั้นพวกเราทุกคนช่วยกันระดมยิงมันขณะที่มันวิ่งชาร์จเข้ามาแต่ไม่มีใครล้มมันลงได้นอกจากคุณชัยยันกล่าวจบเขาก็พลักจักบุคคลทั้งสองไปขบวนทั้งหมดเริ่มเคลื่อนที่ใครต่อใครเดินกันไปหมดแล้วดารินนั้นเดินไปได้10บกว่า9ก้าก็สะดุดเสียหลักอย่างแรงหล้นหยุดล่าหลัง ยกเท้าข้างนั้นขึ้นเหยียบยันก้อนหินไว้สีหน้าเปลี่ยนไปทันใดนั้นคนที่เดินอยู่หลังขบวนสุดก็ตามมาทันและอย่างเงียบๆ เ, เขาก้มลงผูกเชือกให้หล่อนโดยที่ขบวนซึ่งล่วงหน้าไปก่อนไม่ทันมีใครเฉลียวคิดหันมาสังเกตเห็นหลีไปไม่ต้องมาทำดีเรายังโกรธกันอยู่ไม่ใช่เหรอหล่อนพูดน้าเสียงกระชากกระชากแต่แผ่วเบาพอได้ยินสองต่อสอง พยายามจะดึงเท้าออกแต่อีกฝ่ายจับข้อเท้าไว้มั่นผูกมัดสายท็อปของหล่อนให้จนได้คุณหญิงครับเราสัญญากันไว้หลายครั้งแล้วไม่ใช่หรือครับว่าเราจะไม่กลูดกันอีกสัญญาได้ก็เลือกสัญญาได้เหมือนกันน่าคุณหญิงอย่าทำเป็นเด็กนะครับคุณหญิงอายุหลายขวบแล้วนะค่อนข้างจะแก่ไปแล้วซะด้วยซ้ำํำถึงฉัจะแก่ฉันก็ไม่ได้แก่หนักหัวใคร ทำไมจะไม่นกักก็หนักอยู่บนหัวนายรพินอยู่ทุกวันนี่ยังไงอายุจนป่านนี้แล้วถ้าแต่งงานมีเรือนไปชะอย่างผู้หญิงทั่วๆไปก็คงไม่ต้องมาเดินบุกป่าฝ่าดงให้พรานนำทางต้องเกิดปัญหาหัวใจอยู่แบบนี้จะแง่แสนงอนกับปา น, นั้นยังก็สาวอยู่สักสิบหกเพิ่งจะเรียนจบมหกงั้นแหละนี่นายรพินปากมะว่ายังไงครับคุณหญิงดารินปากปากปากัปากปกระเปา๋า ปั้นปากเงื้อมือขึ้นทำท่าเหมือนจะตกแต่ก็ไม่อาจใจร้ายตกคนที่กำลังนั่งคุกเขา่าผูกเชือกรองเท้าหห้อยู่ในขณะนั้นได้ลงคอเลยเอามือขยุ่มที่เส้นผมหยักรุงรังนั้นเขย่เาเบาๆไหมเมื่อ <c oughs> วานนี้คุณยังทำให้ฉันมีปัญหาข้องใจอยู่ไม่หายนะ <c oughs> ตอนที่เราอยู่ด้วยกันโดยเฉพาะระหว่างบุญคำขยินและแง่ทรา ย, ายกลับไปตามพวกเราทั้งหมดมา บนไหลเนินตรงนั้นจำไม่ได้แล้วครับผมพร้อมกับจบคำพูดเขารัดสายเชือกเปล่ะสุดท้ายโดยแรงแรงจนหล่อนรู้สึกเหมือนกับว่ามันมัดเข้าไปถึงส่วนลึกของหัวใจแล้วก็ยืนขึ้นแตะแขนให้ออกเดินตามพักพวกไปแต่ดารินสะบัดไม่ต้องมาแตะตัวฉันตั้งแต่นี้เป็นต้นไปขอยรู้ไว้ ระหว่างเราทั้งสองคนน่ะจะมีก็แต่นายจ้างกับลูกจ้างเท่านั้นตั้งแต่นี้เป็นต้นไปหรือตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเราก็มีแต่ความเป็นนายจ้างและลูกจ้างมาโดยตลอดแล้วไม่ใช่เหรอครับเพราะดูแล้วว่าพวกทั้งหมดมีแต่จะเดินมุ่งไปข้างหน้าไม่มีใครหันมาด้านหลังแม้แต่นิดเดียวมักคุเทศนำทางจึงเอาจะบุกชนแก้มนายจ้างดื้ๆ ซ้ำยังปล้นกอดแน่นกระชับซะอีกครั้งหนึง่งก่อนจะรีบคลายออกเป็นการกระทำที่เสี่ยงอย่างที่สุดและไม่เคยกล้าทำมาก่อน ก, ก็ดีแต่อย่างนี้แหละพอรู้ว่าโกรธก็เข้ามาตีปะะันหลอกอีกฝ่ายหนึ่งบ่นอุบอิบคุณหญิงผอมสู้ไปมากนะครับระยะนี้ก็แน่แล้วสิจะใย้อ้วกอัดเหมือนคนเริ่มตั้งทองได้ยังไงเหนื่อยก็แสนที่จะเหนื่อยอดก็เหลือที่จะอด คุณอะไรมาเลี้ยงฉันะนอกจากผักหญ้าแล้วก็ไอ้เนื้อหมีสตือเนี่ยถึงว่าสินะครับแต่ถึงจะถ่ายผมอิดโรมสักแค่ไหนก็ยังแสนสวยสำหรับทานป่าคนนี้ยิ่ง ก, กว่าตอนพบกันครั้งแรกอีกว่าแต่ว่าถ้าเรารอดตายกลับไปบ้านได้คุณหญิงจะเลี้ยงผมไหมดารินเอียงหน้าเข้ามาถามเสียงสูงไหนพูดว่าไงนะฟังไม่ถนัด ผมก็ถามคุณหญิงว่าถ้าเรารอดตายกลับไปได้คุณหญิงจะเลี้ยงผมจริงไหมจะทิ้งผมไหมแปลกนี่ทำไมถึงถามอย่างนี้ก็ผมรักคุณหญิงอะ่ะผมพร้อมแล้วที่จะหอบเสื้อผ้ า, าตามไปอยู่ด้วยที่กลัวอยู่ทุกวันนี้ก็กลัวว่าคุณหญิงจะไม่เลี้ยงผมจริงเท่านั้นอะ่ะผมมันคนตาคนดง ตำต้อยกว่าด้วยประการทั้งปวงอ่ะระพินคะระพินคะขเอ้ยครับฉันรู้อะไรอย่างนั่นแหละจับเคล็ดได้หลายครั้งละรู้อะไรครับผมก็รู้ว่าทุกครั้งที่เรากําลังจะเข้าสู่ข่ายวิกฤตอันหมายถึงความเป็นความตายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นอกจากการเสี่ยงบุญเสี่ยงกรรม คุณจะต้องหาเรื่องอะไรมาพูดคุยล่อใจฉันให้เพลินๆอยู่เสมอระพินรารวันเคร่งขึงครั้งใดเนี่ยฉันไม่กลัวหรอกเหตุการณ์มันปกติเรียบร้อยธรรมดาแต่ถ้าเขาทำถ้าเขาทาเป็นเล่นหัวพูดโน่นยาวนี่เอาอกเอาใจเป็นพิเศษก็ให้เร่งระวังตัวไวเ้เถอดมันหมายถึงว่าเส้นตายนะมันใกล้เข้ามาอีกแล้วระพินกำข้อมือของแม่ดอกฟ้าของเขาไวบีบแน่นกระชับกระซิบ เข้มแข็งให้ตลอดไปนะครับหล่อนยิน้มบีบมือตอบเขาค่ะระพิ์ฉันตื่นใจตัวเองด้วยค้อยคำประโยคนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วคุณหญิงครับที่เนินพระจันทร์ถ้าเราตีปริศนาลายแทงไม่แตกถ้าเราไม่สามารถจะหาเส้นทางตัดขึ้นเทือกพระศิวะได้ถูกเราจะไม่มีโอกาสใดๆเหลืออยู่อีกแล้วแม้แต่ชีวิต ไม่บอกฉันก็รู้เราอาจไม่มีเวลาได้พูดอะไรกันโดยเฉพาะตามลําพังเหมือนเช่นนี้อีกแล้วนะครับผมเก็บใจตัวเองที่เมื่อวานนี้เรามีโอกาสอันดีที่สุดแล้วทําไมผมถึงได้ปล่อยให้มันผ่านไปโดยการแสดงถึงความไม่สนใจใยดีกับคนที่หัวใจของผมร่ําร้องปรารถนาที่สุดผมพ่าดเวลาให้เปลืองเปล่าไปโดยการทําให้คุณหญิงคุนข้องขัดเคือง ฉันไม่ได้กรดคุณนอกระพินถึงคุณเองก็ย่อมจะรู้ว่าฉันเข้าใจคุณดีที่สุดถ้าเราตายเราก็คงจะตายไปด้วยหัวใจที่ยังซึ้งถึงกันและถ้าเราต่างมีชีวิตอยู่ฉันก็ปรารถนาที่จะให้เราเข้าใจกันได้เช่นนี้ตลอดไปไม่อยากจะให้มีเหตุการณ์ใดๆมาเปลี่ยนแปลงเป็นต้นว่าความคิดมากของคุณมาเป็นต้นเหตุคิดอย่างไม่น่าจะคิดฉันซะอีกเป็นฝ่ายที่น่าจะต้องคิด เพราะก็รู้อยู่แล้วว่าคุณยังมีคนรักเก่าที่พยายามพัวพันพยายามดึงคุณกลับไปให้ได้แต่ฉันไม่แคร์หรอกกราบใดก็ตามที่คุณรักและซื่อตรงต่อฉันผมจะทำยังไงดีล่ะครับเนี่ยกับผู้หญิงคนเก่าของคุณน่ะเหรอนั่นน่ะไม่สำคัญหรอกครับผมหมายถึงระหว่างผมนายระพีนคนนี้กับหม่อมราชวงศ์หญิงดารินวราฤทธิ์ รับปากกับฉันอย่างเดียวเท่านั้นแหละปัญหาทั้งหมดก็จะไม่มีเหลือให้ต้องนำมมนั่งคิดปวดสมองกันอยู่อีกไม่งั้นก็มีเรื่องขัดใจกินใจกันอยู่นี่เองคุณหญิงใจผมรับปากยังไงล่ะครับตัดขาดไม่ยุ่งกับหญิงคนเดิมของคุณอีกตลอดไปมันไม่ใช่เรื่องยากนะครับคุณหญิงเพราะผมเองในปัจจุบันก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาอีกทั้งสิ้น แต่เขาพยายามจะมายุ่งกับผมเองผมนั้ไม่ได้ตำหนิเขาหรอกก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเขารักผมเป็นแต่ว่าทั้งๆ ท, ท, ที่เขารักผมอยู่แล้วเขาก็ยังรักชายคนอื่นพร้อมๆกันในเวลาเดียวบางอื่นผมก็ไม่สู่จะนิยมน้ำใจกว้างขวางแบบนี้ของผู้หญิงซะด้วยให้พิจารไปซะอย่างเมยก็ยังจะดีกว่าสรุปง่ายๆก็คือคุณรับปากที่จะตัดได้ใช่ไหมล่ะ ถ้างั้นโอเคเราแต่งงานกันนะระพรินถ้าเราไม่ตายในคราวนี้เป็นยังไงดารินคนนี้พูดง่ายดีไหมง่ายยังไม่น่าเชื่อและไม่คิดฝันมาก่อนครับย้อนถามอีกคำเถอะคุณหญิงพูดจริงหรือเปล่าครับเนี่ยฉันไม่ใช่คนหล่อแหละและฉันก็ไม่ใช่ผู้หญิงพื้นๆธรรมดาอย่างที่คุณเคยพบมาแล้วนะแต่งงานกันนะ่ะเลยครับ คนมีอาชีพพรานนำทางทวนคำทำท่าคุณคิดฟังดูก็ง่ายดีนะครับแต่ผมกลัวมันจะไม่ง่ายนักนี่ระพินฟังฉันให้ดีนะเรานะ่ตโตๆด้วยกันเราผ่านการศึกษากันมาถึงเพียงนี้แล้วต่อไปนี้เราจะพูดกันอย่างไม่ต้องอ้อมค้อมอะไรอีกคุณกลัวว่าเกียรติของคุณจะไม่ถึงชั้นและจะเป็นปัญหาจากสังคมแวดล้อมต่อไปข้างหน้าใช่ไหม มันก็หน้าทุเรศและดูหมินสำหรับคนทั่วไปไม่ใช่เหรอครับผู้ชายจนไม่มีํำพืชเทือกเขาเหล่ากอส่วนผู้หญิงน่ะรวยสซ้ำยังดอกฐานันดอนเข้าไปอีกต่อไปข้างหน้านายราพินก็คงจะต้องมีหน้าที่อคอยตะบันหน้าหรือตะบันปากคนที่มันพูดแล้วไม่เข้าหูแสลงโสดและ ต, ต่อไปอีกก็คือการหย่าร้างหรืออยู่ๆกันไปคุณหญิงพูดอะไรให้นายราพินคนนี้สะกิดใจเพียงนิดเดียว ก็จะต้องแพ็ค ก, กระเป๋า ว, วิ่งหนีออกไปจากบ้านเรื่องนี้ดูเหมือนเราจะพูดกันหลายครั้งเพียงแต่เราไม่ได้พูดกันแบบตรงไปตรงมาอย่างนี้เท่านั้นนี่ระพินฉันไม่อยากจะพูดกับคุณด้วยคำรับรองอะไรหรอกนะว่าฉันไม่แคร์สังคมหรือไม่ได้อยู่ภายใต้อิทธิพลของสังคมเพราะปัจจุบันนี้สังคมส่วนใหญ่นะพึ่งชั้นไม่ใช่ชั้นพึ่งสังคมแล้วนายรพินก็จะต้องพึ่งคุณหญิงด้วย ให้ฉันถามคุณดีกว่านะว่าคุณมีอะไรจะต้องพึ่งฉันหรือว่าคุณมุ่งหวังปรารถนาผลประโยชน์ประการใดจากฉันนอกเหนือไปจากความรักความเข้าใจที่เรามีต่อกันเกิดมาเป็นผู้หญิงรวยนี่มันก็ลาบากเหมือนกันนะจะรักผู้ชายดีๆสักคนหนึ่งก็ทําท่าจะไม่สมหวังเพราะผู้ชายคนนั้นดันหยิงแล้วก็ถือตัวอย่างบ้าบอคอแตกเกินไปกลัวนั่นกลัวนี่กลัวไปสารพัดแต่ไม่ยกักกลัวจะขาดผู้หญิงคนนั้นไป นี่ถ้าคุนทำยิงไม่เข้าเรื่องจะบอกให้สักก่อนนะฉันก็ยิงเหมือนกันต่อให้ฉันรักและต้องการคุณสักขนาดไหนถ้าคุณยังทําปั้นท่าดีดดิ่นอยู่แล้วก็ฉันไม่ตามไปพนองงองงอนคุณอย่างยายแสงโสม น, นหรอกเพราะฉันไม่มีความผิดอะไรสักอย่างกระพินถอนใจอีกครั้ง <c oughs> คุณยิงมารักผมทําไมก็ไม่รู้เอพูดแบาบว่า คุณมาทำให้ฉันรักทำไมล่ะแล้วผมทำอะไรคุณหญิงล่ะผมเคยเกี่ยวคุณหญิงเหรอหรือว่าขอความรักคุณหญิงก็ลองเกี่ยวสิจะได้ตบด้วยฝ่ามือซ้ายแล้วลองขอความรักสิจะได้ซัดด้วยฝ่ามือขวาแต่ถ้าเข้าถึงตัวเลยโดยไม่พูดพร่มทำเพลงก็ไม่เป็นไรใช่ไหมนี่นี่นี่นี่เรากำลังพูดในเรื่องสาคัญกันอยู่นะระพินอย่าทำเป็นชัยยันไปหน่อยเลย ชอบชักไบให้เรือเสียออกนอกลู่นอกทางไม่เข้าเรือคุณหญิงครับทำไมโธจะขายให้เพาะเพาะหน่อยก็ไม่ได้ที่เกียจจะเพาะด้วยแหละแต่ลังจะเริ่งมงุดงิติแล้วรู้ปะคุณหญิงรู้สึกตัวบ้างไหมครับผมหมายถึงว่าตลอดเวลานะ่ะคุณหญิงชอบคมขู่ผมอยู่เรื่อยๆอะ่ะผมแต่ ง, งานกับคุณหญิงไม่กลายเป็นว่าผมต้อง คุณหญิงค่มขูอย่างนี้ตลอดไปเหรอผู้ชายแท้ๆคนไหนจะทนไปได้นานนี่ผมพูดความจริงนะไม่ได้กลัวคุณหญิงโกรธด้วยดาริงเดินคิดอยู่ครู่แม่ระพินคุณนี่เรียกร้องมากเกินมากหรือเกินนะมิแต่ผู้หญิงเขาจะเรียกร้องออกจากฝ่ายชายนี่คุณกลับเป็นฝ่ายจู้จี้เรียกร้องออกจากฉันราวกับว่าฉันเป็นฝ่ายขอร้องคุณมาแต่งงานกับฉันอย่างนั้นแหละ เอ๊ะไม่ได้สิเป็นนายรพินก็ต้องเล่นตัวมั่งสิคุณหญิงราชสกุลสาวอดหัวเราะไม่ได้เอาละเอาละพรอคุณพะทูลหัวของดารินต่อไปนี้ฉันจะไม่คุมคูคุณอีกละจะยอมให้คุณมีอำนาจจนเหนือทุกอย่างทําน้อยก็จะไม่พูดให้สะเทือนซ่วงอยากได้ดาวก็จะให้ดาวอยากได้เดือนจะสอยเดือนให้อะจะปลูกคารืหา่าให้อยู่ ถ้าธาบริวารประเคนให้พร้อมเชียละ่ะฝ่าเท้าก็จะไม่ให้แตะดินเลยกินก็จะป้อนนอนก็จะก่อมร้อมก็จะพัดให้จะเลี้ยงให้ตัวขึ้นขนเลยจชีแล้วดารินก็สุดที่จะทนทานต่อไปได้ใสแล้วข้อเท้าขวาของหล่อนเสียวปราบความปวดร้าวระบมทําให้น้ำตาของหล่อนคลอเบาระพินไพรวันซึ่งเดินชะลอเคียงข้างเป็นพี่เลี้ยง คอยจ้องระวังสังเกตยอยู่ตลอดเวลาคว้าตัวไว้ได้อย่างบุดบิดก่อนที่จะหวบลงไปคุณหญิงไหวไหมครับถ้าไม่ไหวก็เห็นจะต้องหยุดพักก่อนละ่ะเขาพูดเร็วปรือน้ําเสียงเปลี่ยนไปทิ้งฉันไวน้นี่คุณพาทุกคนเดินล่วงหน้าไปก่อนเอาแงซายไว้ให้สักคนนะึงอีกสักชั่วโมงฉันคงเดินได้แล้วตามไปทันเองดารินวราฤทธิ์เฮียมเกรีย ม, ยมพอๆกับเขาแต่เขาสิเฮียม ต่อไปไม่ไหวอันเนื่องมาจากเดินคุมอยู่ท้ายขบวนเขาจึงแลเห็นว่าดารินเดินพลัดร่องหินอย่างแรงและนั่นคือสาเหตุที่หล่อนแซงทําเป็นผูกเชือกรองเท้าเมื่อเขาเดินตามเข้ามาใกล้หล่อนก็รู้ว่าเขาเห็นความปวดขัดที่ข้อเท้ามันเริ่มขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นหล่อนไม่บอกเขาและเขาก็ทําเป็นไม่รู้แต่ก้มลงผูกเชือกรองเท้าข้างที่พริกบิดอย่างแรงนั้นให้ จากนั้นก็ชวนคุยล่อให้เดินเขาอาจตัดสินใจผิดไปก็ได้ที่ไม่เปิดโอกาสให้หลอนพักสะก่อนแกล้งเร่งให้เดินเพื่อสงวนเวลาจนกระทั่งในที่สุดหลอนก็ไปไม่ไหวและบัดนี้ขณะที่เขาจับคลาอยู่ที่ข้อเท้าของหลอนสังเกตเห็นได้ชัดด้วยใจอันร่าวรอนว่ามันบวมเขียวขึ้นมาเพราะยิ่งอักเสบจากการฝืนแข็งใจเดินไปให้ได้ อย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่าสมกิโลเมตรจากจุดเริ่มต้นของความเคล็ดที่เกิดขึ้นครั้งแรกหลนมองดูหน้าเขายังยิ้มอยู่เช่นนั้นปากก็พร่ำบอกอยู่ว่าไม่เป็นไรนิดหน่อยเท่านั้นแต่ริ้วรอยแห่งความทรมานปรากฏบนใบหน้าอันซีดเผือดและลมหายใจหอบถีระพินหันไปนตะโกนเรียกทุกคนที่เดินล่วงหน้าห่างออกไปราวหสเมตรทั้งหมดหยุดชะงักเลียวกลับมามอง พอมองเห็นดารินลงนั่งกับพื้นมีระพินซุดกายลงประคองอยู่เป็นที่ผิดสังเกตเช่นนั้นทั้งเชษฐาชายันและมาเรียก็ร้องบอกกันเอะอะด้วยความประหลาดใจระคนตกใจสั่งให้พวกลูกหาบทั้งหลายหยุดรอก่อนแล้วพากันวิ่งพลูมาโดยเร็วอย่าบอกพวกเขานะว่าฉันข้อเท้าแพลงตั้งแต่บนยอดเนินนุ่นแล้วก็ยังพยายามเดินข้ามเนินมาอีกถึงสองลูกเพราะต้องการจะเอาใจคนที่ฉันรัก เกิดมาเป็นชายชาตินักสู้พระพินไพยวันไม่เคยเลยแม้แต่สักครั้งเดียวที่จะแพ้ใจใครบัดนี้เขายอมรับกับตนเองว่าได้พ่ายแพ้อย่างราบคาบแล้วกับนั้นใจหญิงคนหนึ่งอย่างไม่มีประตูสู้ผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้หญิงคนที่เขารักนี่เองแล้วก็พลันมองเห็นถึงความโหดร้ายทารุนของตนเองความเห็นแก่ได้ ความไม่มีการผ่อนปรนมุ่งแต่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ลูล่ลวงไปอย่างเดียวหล่อนเคยพูดไว้ถูกแล้วระพินใครวันเป็นคนเหี้ยมเกรียมเลือดเย็นที่สุดแต่สวรรค์เป็นพยานเถิดเขาไม่ได้มีเจตนาถึงเพียงนี้เลยอันเนื่องมาจากประมาณการผิดคิดแต่เพียงว่าหล่อนอาจบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยถ้าได้พูดได้คุยยั่วแย่ซะแล้วก็คงจะทาให้ลืมและหายไปได้ หล่อนก็ได้แข็งใจพยายามให้เป็นไปตามที่เขาปรารถนาแล้วแต่ก็สุดจะทนทานต่อไปได้เพราะบาดเจ็บที่ได้รับมันเกินกำลังของหล่อนที่จะต้านได้พรานไพรใจฉกาดขณะนี้ได้แต่นั่งตะลึงมองหน้าหญิงคนที่เขาทั้งรักและบูชาสีหน้าเพื่อคล้ำไม่อาจเอ่ยคำใดออกมาได้ทั้งสิ้นนอกจากมือที่กุมบีบจุดตรงข้อท้าบวมอักเสบข้างนั้น อย่าตกใจคาราพินฉันบอกแล้วว่าฉันไม่เป็นอะไรมากหรอกเดี๋ยวก็หายประโยคสุดท้ายของหล่อนกลัวไปกัดเสียงครางใบหน้างามนั้นนิ่วลงระหว่างที่พรานใหญ่ยังนั่งตะลึงทำอะไรไม่ถูกอยู่นั้นมาเรียดูเหมือนจะว่องไวกว่าอีกสองชายหล่อนวิ่งปราดเข้ามาถึงตัวดาริมก่อนคนอื่นพร้อมกัดกระลำละลักเสียงแหลมยังตกใจซุดลงอบกอดไว้น้อยเป็นไรไปถุกราเข้าเนี่ย ดาริยังตอบไม่ได้ในขณะนั้นนอกจากอาการสูดปากหน้านิวคิ้วขมวดไล่ๆกันเชิดถากระชัยันก็ถลันมาถึงทั้งสองประดังกันร้องถามเร็วหรือชนิดฟังไม่ได้สับขณะที่ก้มลงจับตัวราชสกุลสาวไว้เสียงแหลมของมาเรียนดังลั่นมาอีกอกย่ตกใจมากกว่าทุกคนโธ่หมอของเราหมอของเราเป็นอะไรไปเสแล้วนี่จะทำยังไงกันดีเนี่ยช่วยช่วยกันหน่อยสิเ ร, เร็วเข้า ฮุปาที่ดารินเอตโรลันเพื่อตัดเสียงและอาการตีโพยตีพายของแม่เพื่อนสาวต่างผิวซึ่งตื่นเต้นตกประมา่าเสียราวกับว่าเงียบกริบไปในบัตรนั้นแต่ยังกอดไว้แน่นเชษดถากัะชยันที่รุมกันถามจนฟังไม่รู้เรื่องก็พลอยสะดุง้งหยุดความโวยวายลงด้วยหล่อนถอนใจยลึกมุมกันหับเสียงกันบอกกับทุกคนว่าฉันไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกก็แค่สะดุดหินข้อเท้าแผลง เคล็น่อยเดียวเท่านั้นประเดี๋ยวก็คงจะหายทุกคนที่เพิ่งวิ่งเข้ามาถึงตัวจึงเพิ่งจะรู้ความแต่ไม่มีใครมองเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่างที่เจ้าตัวคนเจ็บเองบอกเพราะสังเกตสีหน้าอาการก็พอจะรู้ได้มีการพูดจาซักถามกันอีกแซดแล้วก็เข้ามาดูอาการอย่างชุลมุนดารินพยายามจะกรบเกลื่อนไม่ต้องการให้ใครเข้ามาวุ่นวายกันหล่อนมากนักแต่อีกสามคนไม่ฟังเสียง มาเรียร้องสั่งให้ใช้ ย, ยันจับตัวดารินไว้ตนเองถลกขากางเก่งของเพื่อนสาวด้านที่แพปลงขึ้นสูงไปติดเขา่าแล้วถอดท้อข้างนั้นออกเร็วระหว่างที่มีการเคลื่อนไหวในด้านช่วยกันจับตัวถอดรองเท้าอยู่นี้ดารินร้องลั่นตะโกนบอกให้เบาๆชุนลมุนกันอยู่ช่วองใจเดียวมาเรียซึ่งคล่องแคล่วต่อทุกสถานการณ์ก็ดึงรองเท้าออกได้สําเร็จแล้วหล่อนก็คลางออกมาเมื่อสังเกตเห็นรอยบวมที่ข้อเท้าขวาอย่างชัดเจน ทุกคนอึ้งไปอึดใจแง่สายและพรานพื้นเมืองทุกคนปรงของที่หาบทั้งหมดไว้ในตำแหน่งที่หยุดชะงักอยู่และบัดนี้ทั้งหมดวิ่งเข้ามายืนมุงรายล้อมอยู่ที่นายหญิงผู้นั่งราบอยู่กับพื้นอย่างห่วงใหญ่ระคนตกใจระยะนี้กลุ่มของนายจ้างทั้งหมดจะพูดจาหรือ ด, ดำเนินการเช่นไรรพินไพรวันมอบหน้าที่ไว้ให้โดยเฉพาะช่วขณะตัวเขาเองรอบกัดกรามแน่น สาบแช่งตัวเองและสาบแช่งเหตุการณ์ค่อยๆถ อ, อยห่างออกมาจากวงนั้นอย่างท้อแท้ใจทัในใดนั้นก็มีความรู้สึกว่าสายตาคู่หนึ่งมองเข้าอยู่ตลอดเวลาและเป็นความสนใจที่เพ่งมาโดยเฉพาะนอกเหนือจากสายตาคู่อื่นๆทุกคู่ซึ่งขณะ น, นี้ล้วนมวัวมุ่งไปสนใจอยู่กระดารินทั้งสิน้นแล้วเขาก็พบกับดวงตาของใครคู่นั้นที่มองมาอยู่ก่อนแล้วเงียบเงียบ ทั้งสองฝ่ายยืนห่างจากวงที่มุงล้อมอยู่รอบตัวดารินออกมาประมาณสิบเก้าต่างคนต่างมองหน้ากันในที่สุดกระพินก็ถอนใจเบาๆโครงหัวแกคิดว่าเป็นความผิดของฉันนะ่ะก็ผู้กองไม่ควรจะฝืนให้หนยายหญิงเดินต่อไปนะในทันทีที่รู้ว่าเกิดอุปัตตวเหตุขึ้นจนกระทั่งอาการซึ่งอาจมีอยู่เพียงเล็กน้อยกลายเป็นอาการที่มากขึ้น เสียเวลาเพียงชั่วโมงเดียวมันดีกว่าเสียเวลาเป็นวันๆนะครับถ้างั้นก็ยอมรับว่าเป็นความผิดของฉันเองเขาพูดแหบๆในลําคอใบหน้านั้นปรากฏรอยยิ้มน้อยๆเหมือนจะเป็นรอยยิ้มให้กําลังใจก้มศรีรษะลงนิดนึงอย่างคาระวะผู้กองครับมันก็ไม่ใช่เป็นความผิดของผู้กองหรอกมันเป็นอุบัติเหตุเป็นอุปสรรค ซึ่งกำกายเข้ามาสกัดกั้นเราในหนทางสายนี้เท่านั้นเองผู้กองตัดลัดเส้นทางสงุนเวลาไว้ได้ถึงสองวันแต่เทพเจ้าเบื้องบนไม่ต้องการให้ผู้กองได้เปรียบต่อเหตุการณ์เกินไปนะ้นักจึงบันดาลให้เกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นบั่นทอนปัดกําลังของพวกเราลงไปเพื่อให้เกิดสมดุลอันยุติธรรมขึ้นก็อย่าคิดอะไรให้มากเลยครับผู้กองครับถึงอย่างไงเรเสเราก็ต้องไปถึงที่หมายทันเวลานะ่ะแม้จะไม่เร็วไปกว่า เท่าที่เราคาดหวังไว้ก็ตามขอบใจมากแง่ทา ย, ายที่ให้ความหวังและกำลังใจแก่ฉันแกเป็นคนที่เข้มแข็งมากบางขณะนี้เข้มแข็งกว่าฉันจะอีกพรานใหญ่ครับคนที่เข้มแข็งกว่าพรานใหญ่ละพินไพรวันณหาใช่แงซทา ย, ายไหมแต่เป็นนายหญิงคนนั้นต่างหากล่ะครับ คนที่จะให้ความหวังตลอดจนกำลังใจทุกชนิดแก่ผู้กองก็ไม่ใช่ใครแต่เป็นเธอผู้นั้นผู้เดียวเราเข้าไปดูเธอกันเลยครับผมคิดว่าพวกเราคนใดคนหนึ่งน่าจะช่วยเธอได้ไม่มากก็น้อยทั้งสองปรับเข้าไปสมทบกับกลุ่มนั้นอีกครั้งภายหลังเมื่อตรวจดูรอยบวมช้ำจากข้อเท้าของดารินอย่างละเอียดที่สุดแล้วมาเดียก็เงยหน้าขึ้นโดยเร็วแววตาเต็มไปด้วยความกังวล ใหญ่คะนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแล้วนะคะข้อเท้าของน้อยนะ่ะบวมอักเสบมากทีเดียวคงฝืนเดินต่อไม่ไหวแน่อย่างน้อยก็อีกหลายชั่วโมงหรือมิฉะนั้นดีไม่ดีอาจเป็นวันๆันละคะ่ะไม่มีใครรู้ดีไปกว่าฉันหรอกก็ฉันบอกแล้วไงว่าขอพักสักเดียวก็หายหมอดารินพยายามเถียงทั้งทั้งที่ก็สูดปากอยู่ตลอดเวลา และร้องลั่นทุกครั้งเมื่อมีใครแตะต้องบีบที่ข้อเท้าตำแหน่งนั้นพร้อมทั้งเอตโตโรขมงโฉงเฉงหลอนทั้งเจ็บทั้งหมดหงิดเมื่อรู้ว่าตัวเองจะต้องเป็นอุปสรรคต่ อ, อการเดินทางพี่ชายนั่งลงตรงหน้าน้องสาวมองด้วยความสงสารก็รู้สถานการณ์ดีที่สุดเพราะตัวเองเคยโดนมาก่อนแล้วแต่ก็ฝืนสีหน้ายิ้มแย้มเป็นการปลอบใจเพราะตลักดีว่าการแสดงกังวลใดๆออกไป ก็ยิงเท่ากระทาให้ดารินไม่สบายเพิ่มขึ้นใ เ, เปล่าเปล่าหนาน้อยใจเย็นๆพี่ก็ไม่เห็นว่ามีอะไรนักหนานักหรอกนะก็แค่เท่าเพลงเท่านั้นแต่เราต้องพักก่อนเคลธาพูดพร้อมกับเอื้อมือมาตบสีสันน้องสาวแล้วเงยหน้าขึ้นมองหาใครคนหนึ่งซึ่งคนคนนั้นก็ข้ามันยืนสีหน้าไม่สบายนักมองเขาอยู่ก่อนแล้วจึงออกคําสั่งเหมือนเหตุการณ์ปกติไม่ได้เกิดอะไรขึ้นอะปุกอง เราหาที่พักกันก่อนเถอะผมคิดว่าน้อยคงจะเดินทางต่อไปได้ตามปกตินะไทยเขาพักขาสักสองสามชั่วโมงเราก็คงไม่เสียเวลาอะไรมากนักหรอกนะระพิน์ไม่กล่าวคำใดทั้งสิ้นแต่ในใจคิดตอบท่านสุภาพบุรุษหัวหน้าคณะว่าอย่าว่าแต่สองสามชั่วโมงเลยจะนานสักเท่าใดเขาก็พร้อมและเต็มใจเสมอถ้าหากไม่ขัญชีวิตของเขายังไม่อยู่ในฐานะจะเดินต่อไปได้เช่นนี้ หรือต่อให้แผนการเดินทางทั้งหมดจะต้องล้มเหลวพินาศพังพินก็ให้มันรู้ไปขออย่างเดียวให้ดารินปลอดภัยเท่านั้นเขาก้มศีรษะรับคำสั่งอย่างเงียบๆแล้วก็ผลักไปโดยเร็วก้าวไปได้สองสามก้าวเสียงท่านหัวหน้าคณะก็กำชับมาอีกว่าผู้กองดูหาที่พักให้มันปลอดภัยที่สุดด้วยนะอย่างน้อยก็เผื่อไว้สาหรับคืนนี้ด้วย เขาโงกสีสะอีกครั้งและตระหนักได้ทันทีว่าแม้เชษดาก็ย่อมจะยังทราบได้ดีว่าบางทีตลอดทั้งวันของวันนี้อาจไม่มีการเดินทางคืบหน้าต่อไปได้อีกเลยเพราะอาการของน้องสาวที่มองเห็นชัดอยู่เพียงแต่กลบเกลื่อนซ่อนเร้นความวิตกไว้ภายใต้สีหน้าอันยิ้มแยม้มเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเท่านั้นแล้วระพินก็แยกตัวเดินลงเนินลับหายไปอย่างรวดเร็วทิ้งให้ทุกคน ชั่วคราวกันอยู่ที่นั่นชยันนั้นไม่อาจซ่อนความกระวนกระวายเป็นห่วงในอาการของเพื่อนสาวผู้เปรียบเสมือนญาติของเขาได้พระสังเกตดูสีหน้าคนเจ็บอยู่ตลอดเวลาแล้วจึงเป็นทุกข์หนักขึ้นไปอีกเมื่อทดลองเอาฝ่ามือจับฝ่าเท้าข้างนั้นของดารินเบาๆและปรากฏว่าหล่อนสะดุง้งร้องครางลั่นออกมายาชยยันทำไมฮาน้อยมันปวดมากเหรอดารินพยักหน้าแม้มริมฝีปากแน่น พยายามสะกดกลั้นความเจ็บปวดซึ่งเริ่มจะทวีขึ้นทุกขณะไว้ไม่มีคำทำอะไรได้ถูกในขณะ น, นี้นอกจากพากันนั่งล้อมวงมองดูหล่อนอยู่เฉยเอ๊มันถ้าจะไม่ได้การแล้วนะมันน่าจะมีอะไรมากกว่าข้อเท้าแพลงใช่แล้วลน่ขนาดกระทบเบาๆที่ฝ่าเท้ายัางร้องลั่นนะเนี่ยชยันพูดเสียงต่ำๆมองหน้าเชิดถากมาเรียอย่างหารือกันด้วยความร้อนใจ มันข้อเท้าหักก็ไม่รู้สินะหรือ ไ, ไม่ไม่ใช่หรอกมันไม่ได้หักไม่ได้ดอกอะไรทั้งนั้นแหละคนเจ็บรีบบอกมาเบาๆดุกมือทั้งสองประคองอยู่ที่น่องน้ำของตนเองข้างที่ข้อเท้าทําผิดปวดบวมอยู่ในขณะ น, นี้อาการของเธอแปลกมากนะน้อยก็ตะเครดธรรมดาถูกเบาๆทาไมมันถึงเจ็บจนร้องรั้นอย่างงี้อะมาเรียว่า หลองจะเอื้อมมือมาจับข้อเท้าของคนเจ็บอีกแต่ดารินรีบร้องห้ามพร้อมกะปัดมือไว้ยายายาอย่าไปจับหรือแตะต้องมันเข้านะน้อยพี่ชายเริ่มจะมีสีหน้าเคร่งขรึมขึ้นในทันทีนั้นไม่เป็นหมออยู่กับตัวเองนะอาการที่หมึกมันเกิดกันน้อยนะ่ะไม่มีใครรู้ดีไปกว่าตัวน้อยเองหรอกพี่สังเกตดูว่ามันจะไม่ใช่เรื่องเล็กอย่างที่พวกเราเข้าใจกันแล้วน่ะเนี่ย เมียกายังไงเขาบอกมาตามตรงดีกว่าอย่าปิดเลยดารินถอนใจเือกสวัสดผมที่ปลิวลงมาปลกหน้าขึ้นพี่พี่ใหญ่คะเรื่องข้อเท้าเคร็ดน่ะมันไม่สำคัญนักหรอกค่ะพักชระยะหนึ่งมันก็หายไปเองแต่น้องสงสัยว่ามันจะเกิดอาการแสกซ้อนขึ้นจากข้อเท้าแพลงธรรมดานะ่ะมันถึงปวดมากจนผิดปกติอย่างนี้ มันอาจจะเป็นโรคเก่าของน้อยที่เคยเป็นหนักมาเมื่อเจ็ดแปดปีก่อนสมัยที่ยังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลันายน่ะค่ะเที่ยขาขมวดคิ้วย่นชายันหน้าตื่นถามมดเรีวว่าโรคเก่าอะไรของเธอเนะน้อยดารินไม่ตอบขาข้างนั้นของหล่อนเริ่มจะสั่นระริกพี่ชายงันอยู่ครู่ก็พูดมาด้วยเสียงเกือบเป็นกระซิบว่ารูมาตอยเหรอน้อย สงสัยกะพี่ชายหน้าซีดลืมตาโพล่อะไรรูมาตออ่ะมาเรียถามดังๆหน้าตื่นเชิากับเริมฝีปากนิดนึงอธิบายให้แม่มสาวกับสหายของก็ฟังด้วยน้ำเสียงแหบต่ำว่าเป็นโรคไขข้ออักเสบชนิดหนึง่งน้อยเคยเป็นเมื่อสมัยตอนรุ่นรุ่นตอนนั้นต้องนอนนิ่งๆอยู่กับที่ชนิดกระดิกตัวแทบไม่ได้เลย เคลื่อนไหวแค่นิดเดียวก็ยังเจ็บปวดร้องลั่นบ้านไปหมดถ้าเกิดอาการชนิดนั้นขึ้นมาจริงๆอย่างที่เจ้าตัวสงสัยนี่แล้วก็แย่ yeah, ทีเดียวพยาะยาว่าแต่เดินเลยกระดิกตัวก็ยังไม่ไหวท่าการของมันกําเริบ ม, มากๆอ่ะมาเรียอุทานลั่นหนุมันอยาตกใจนั่งอ้าปากค้างชายันก็ถึงกค่การตะลึงงานเวินนรกจอกกระปิอะไรอย่างนี้วะอับผ่าดี เชยันคำรามออกมาอย่างเคียดแค้นต่อเหตุการณ์เขานึกออกแล้วในชีวิตที่อยู่ใกล้ชิดคลุกคลีกันมาโดยตลอดเสมือนพี่น้องเขาเคยเห็นดารินทร์วราริศเคยปวดทรมานมาแล้วเมื่อตอนที่หล่อนยังอยู่ในวัยรุ่นด้วยอาการของโรคไขข้ออักเสบและอาการอันขาดน้ํามันในไขข้อชนิดนี้แต่เหตุการณ์มันผ่านมานานใะจนเขาลืมมันอย่างสนิทถ้าไม่มีการพูดถึงกันขึ้น และไม่เคยฉเฉลียวใจคิดมาก่อนเลยว่าอาการชนิดนั้นจะย้อนกลับมาเล่นงานเพื่อนสาวเขาอีกในสถานการณ์เข้าได้เข้าเข็มอย่างนี้ซะด้วยโดยสภาพของอาการแล้วรูมาตอยก็ไม่ได้มีพิษสงอย่างเฉียบพลันที่จะทำอันตรายแก่ผู้ป่วยจนถึงขั้นชีวิตหากแต่มันทรมานขีดสุดเมื่อกาเริบขึ้นผู้ป่วยจะมีสภาพเหมือนเป็นง่อยไปชั่วขณะโดยจะขยับขยื่นเคลื่อนไหวไม่ได้ การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อหรือข้อต่อทุกข้อจะปรากฏปรากฏผลในด้านเจ็บปวดอย่างรุนแรงบางรายถึงกับนอนร้องโอดโอยทีเดียวมันอาจทุเลาเบาบางหายไปได้เองเมื่อพ้นกำหนดกำเริบริดของมันหรือมิฉะนั้นก็ทุเลาไปได้ด้วยยาฉีดบางชนิดที่ถูกต้องตรงกับโรคแต่ก็ไม่ใช่ภายในระยะเวลาชั่ววันสองวันระยะเวลาเห็นการรักษาเยียวยามันกินเวลาเป็นอาทิตย์หรือมากกว่านั้น พยายาอธิบายให้มาเรียฟังในอาการของโรคและในสิ่งที่เขาได้เห็นมากับตาแล้วเมื่อเกิดขึ้นกับดาริมแม่มสาวผู้คุกเข่าอยู่ถึงกับอาการนั่งแพะจ้ำเบาอย่างหมดเรี่ยวหมดแรงถ้าฉินนั้นก็แปลว่าพระเจ้าหยุดเราไว้เพียงแค่นี้ละหล่ลอนพึนพมพำแผ่วเบาที่สุดเหมือนจะพูดกับตนเองเช็ดทาป้ายแขนเสื้อเช็ดเหงือ ความรู้สึกบอกกับตนเองในทันทีนั้นว่านี่คือวิกฤตการณ์อีกลักษณะหนึ่งที่มาถึงแล้ววิกฤตการณ์ซึ่งจะทําให้แผนการทั้งสิ้นพินาศลงเพียงแค่นี้ทั้งทั้งที่ความหวังอยู่เพียงแค่เอือ้อแต่คนอย่างเขาจะไม่พูดหรือแสดงอะไรให้เห็นถึงการสิ้นหวังเลยเมื่อรับความโกรกตกใจในเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันลงได้เขายิ้มละไมเหมือนเดิม น้องสาวอันเป็นทั้งคนเจ็บและทั้งหมอเองเรียบๆว่าน้อยน้อยแน่ใจเหรอว่าอาการรูมาตอยของน้อยนะ่ะมันจะกำเริบขึ้นอีกครั้งสงสัยกับพี่ใหญ่เพราะตามปกติแล้วการเคล็ดธรรมดานะ่ะมันไม่น่าจะปวดถึงเพียงนีนะ้ถ้าไม่พยายามใช้กำลังตรงบริเวณที่เคล็ดนั่นเพียงแค่กระทบหรือแตะเบาๆก็ปวดมาก มากขึ้นมาทันทีอะแล้วมันก็ดูเหมือนจะปวดเพิ่มขึ้นทุกทีด้วยแต่แต่เป็นครั้งแรกคราวนั้นแล้วอ่ะเธอมีอาการอย่างนี้ขึ้นอีกบ้างไหมยชยันถามไม่ไม่เคยเลยเนอะมันทำท่าเหมือนจะหายสนิทมาตั้งแต่คราวรักษาตัวอยู่เกือบเดือนอะ่ะจนแทบจะขาดสอบครั้งนั้นอะฉันเองก็ลืมมันซะอย่างสนิทแล้วไม่นึกนะว่ามันจะหวนกลับมาอีกแม <c oughs> นกัาออย่างนี้ก็ไม่รู้สิ หลอนพูดเสียงเครือน้ำตาคลอทดลองเอามือค่อยๆจับบีบที่ข้อเท้าตัวเองแล้วก็สะดุ้งสูดปากถ้างั้นก็เห็นจะชัดใช่แล้วละ่ะเชษฐาพูดเบาๆกลัวไปกาหัวเราะปลอบใจมือลูบไล้อยู่ที่หลังของน้องสาวตั้งแต่ออกเดินทางมาน้อยต้องกลากลั่มออกแรงมากที่สุดพักผ่อนก็ไม่เต็มที่เวลาจะบำรุงรักษาตัวไม่มีเลย โรคเก่ามันก็เลยหวนกลับมาเยี่ยมคนที่เคยเป็นโรคชนิดนี้เนะี่ยเขาก็ห้ามไม่ออกแรงมากเกินควรอยู่แล้วนี่ว่าแต่น้อยมียาสำหรับโรคนี้โดยตรงอะติดมามั่งหรือเปล่ายานะ่ะมันมันก็พอจะมีหรอครับพี่แต่ไม่มีอะไรจะสาคัญไปกว่าน้อยจะต้องปลอดภัยสะ ก, ก่อนเนี่ยนะไม่ต้องกังวลเรื่องอื่นขณะนี้รักษาตัวเองให้ดีที่สุดสะ ก, ก่อนก็แล้วกัน ใช่ไม่ต้องไปพะวงอยู่หรอกว่าเราจะไปให้ถึงเนินพระจันทร์ตามกำหนดเวลาสิ่งที่เกิดกับเธอนะ่ะมันมันเป็นอุบัติเหตุการเดินทางจะต้องล้มเหลวไม่สำเร็จผลมันก็เป็นเรื่องของโชคชะตาของพวกเราเองซึ่งโทษอะไรไม่ได้ชยันเสือ ม, มาอย่างหนักแน่นอีกคนหนึ่งเพื่อช่วยในด้านกำลังใจของเพื่อนสาวแล้วก็หัวเราะออกมาพูดถึงเป็นเรื่องขบขันซะเอะ เคยแต่รักษาพยาบาลดูแลคนอื่นเา้าเป็นไงคิดไม่ถึงใช่ไหมแล้วว่าในที่สุดมันก็มาเกิดขึ้นกับตัวคุณหมอเองแต่เอ้ยนึกว่าจะกระดูกเหล็กซักแค่ไหนดารินแทบจะร้องไห้ออกมาดังๆทั้งเจ็บปวดทั้งกลับกลุ้มขับข้องใจในอาการที่เกิดขึ้นกับตนเองฉันฉันเสียใจมากจริงๆนะเนี่ยถ้าฉันจะเป็นต้นเหตุให้พวกเราทั้งหมดไปไม่ถึงเนินพระจันทร์ ตามกาหนดเวลาซึ่งมันหมายถึงแผนเดินทางที่เราบาดบันฟันฝ่ากันมาแทบเลือดตากระเด็นและมองเห็นจุดหมายอยู่เพียงแค่เอื้อมต้องล้มเหลวทั้งหมดน้อยไม่มีใครฝืนเกณฑ์ชะตาได้หรอกนะพวกเราทั้งหมดมันห่วงเธอมากกว่าห่วงสิ่งใดทั้งสิน้นใช่ไหมพี่ใหญ่ใช่ยันมารีพูดมาอย่างชัดเจนพร้อมกับยิ้มให้ เมพูดถูกแล้วล่ะอย่าคิดอะไรมากไปน้อยสิ่งที่น้อยจะต้องคิดในขณะ น, นี้คือช่วยตัวเองก่อน อ, อาการขนาเนี้เป็นยังไงบ้างบอกพี่มาตรงๆดีกว่ามันมันปวดขึ้นมาทุกทีแล้วแหละปีใหญ่เอาเป็นว่าถ้า ง, งั้นก่อนที่ระพิงจะหาที่พักได้น้อยก็ให้ยาตัวเองก่อนดีกว่าและโดยคาสั่งของเชาิาบุญคำกักจันห่อแนบไปยังกองหยิบหอสัมภาระ ที่ยังทิ้งเกจกะกันอยู่ช่วยได้หีบเครื่องเวชพันฑ์ประจําคณะลิวกลับมาโดยเร็วชายันกมารีช่วยกันเปิดหีบออกและนำมาวางไว้ตรงหน้าคนเก็บซึ่งเป็นหมออยู่กับตัวเองแล้วอ่ะเอาเป็นว่าบอกกวับยาอะไรแล้วก็ใช้ขนาดเท่าไหร่ละน้อยฉันจะจัดการให้เธอเองฉันก็พอจะฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อได้นะมารีบอกมาเดเร็วดารินมองหน้าแม่เพื่อนสาวต่างผิวยางทราบซึ้ง จะชั่วๆดีๆยังไงมาเรียก็พึ่งพาได้เสมอในยามเมื่อเกิดเรื่องฉุกเฉินใดๆขึ้นด้วยสัญชาติยานแห่งความรักพวกพองและเสียสละและเมื่อร่วมชีวิตกันมานานหล่อนก็แน่ใจว่าแม่เพื่อนผู้เพิ่งจะมาคบหาสมาคมกันปาง ป, างปางป่าใหญ่ไพรกว้างรักหล่อนจริงเมฉันคอยระแวงเธอเหลือเกินนะว่าจะเป็นอุปสรรคถ่วงการเดินทางของเราแต่แล้ว แต่แล้วมันก็ไกลเป็นว่าตัวฉันเองเลยแหละเป็นตัวทวงหล่อนพูดแผ่วเบาสายหน้าอยางอัดอั้นฟันใจแม่ผมทองยกมือขึ้นโบไรสาระน่าน้อยจะไม่คิดอะไรอยู่เลยถึงเธอจะเป็นหมอเธอก็เป็นมนุษย์บุตรชนอย่างพวกเราเหมือนกันทําไมถึงจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ละ่ะเพียงแต่ว่าที่แล้ ว, ลวมาเธอยังโชคดีอยู่บ้างเท่านั้นทำใจดีๆไว้ใช้กําลังใจให้มากๆหน่อย เธออาจหายภายในไม่เกินวันสองวันนี้ก็ได้แล้วเราก็อาจไปทันตามกำหนดเก่ผูวหมดกำลังใจซะก่อนสิฉันจะสวดมนต์ภาวนาให้กับเธอเองวยพินไครวันโผล่เงากลับมาด้วยอาการรีบด่วนพอพอกระขาไปเมื่อประมาณยี่สิบนาทีให้หลังมันหมายถึงว่าดารินได้รับการเยียวยาประทับประทังไว้ก่อนแล้วแต่ดูเหมือนมันไม่ช่วยอะไรมากนะัก อาการยังเจ็บป่วยกระสอบกระสายอยู่เหมือนเดิมเชษฐาเดินสวนออกไปรับหน้าไว้ก่อนที่พรานใหญ่จะเข้ามาถึงปุกกองเรื่องใหญ่เกินคาซะแล้วหรอกเขาร้องบอกออกไปก่อนที่ระพินจะทันพูดคำใดจอมพรานหยุดชะงักอยู่กับที่ถามเร็วปรือทำไมล่ะครับคุณชายน้อยน่ะไม่ได้ขาแพลงหรือเคล็ด จ, จังเดียวกับที่เราเข้าใจหรอก แล้วท่านหัวหน้าคณะก็บอกให้เขาทราบในอาการที่เกิดขึ้นกับดารินพอทราบความโดยตลอดพรานใหญ่ก็แทบหัวเขาอ่อนยืนนิ่งงันไปนานทำยังไงดีล่ะครับคุณชายในที่สุดเขาก็หลุดปากออกมาเกือบไม่รู้สึกตัวด้วยซ้ำว่าพูดอะไรผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะคุณอุปสรรคขวากน้ำทุกชนิดคุณนาพวกเราฟันฝ่าลุล่วงมาได้ทั้งสิ้น แต่สิ่งที่พวกเราทั้งหมดเผชิญอยู่ในขณะ น, นี้มันเหมือนจะเป็นการแพ้ภัยตัวเองเกณฑ์ชะตาของเรามันคงจะไม่สำเร็จในเส้นเดินทางสายนี้ถึงได้บรันรดาลให้เกิดเหตุขัดข้องขึ้นไม่โดยทางใดก็ทางหนึ่งจนได้ผมเห็นจะต้องยอมแพ้แต่โชคชะตาใช่แล้วล่ะคุณ